嗯 <clears throat> ม, มันพระอาัานาศิลปแปด <c oughs> ตัติมปมยังพันเตติสเนสหาอาทังคาสัมมนาคตังอุโบสถังยาจามาตตติยมปิมยังพันเตติสรเนนสหาอาทังคาสัมมนาคตังอุโบสถังยาจามา โมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมบท د ัสสะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมบ ود ัสสะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมบ ود ัสสะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมบุัสสะ นักโมทัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสมะสมุทัสสะนัโมทัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสมะสมุทัสสะท่านเนนัง a ัดคเม ขมั r ส n รนังขจามิขมังสารนังขจามิสัง a ังสารนังขจามิสังขังสารนังขจามิจุดยัมปิพุทธังสารนังขจามิจุดยัมปิพุทธังสารนังขจามิจุดยัมปิขมังสารนังขจามิ ดูที่ยังพีธรมมังสารนังกัจจามิดูตียังพีสังขังสรนังกัจจามิดูท like, ี่ยังพีสังขังสารนังกัจจามิดูทียังพีบุธังสารนังกัจจามิตาทียังพีบุธังสารนังกัจจามิตาที่ยังพีธรมมังสรนังกัจจามตาที่ยัมพีธรรมมังสารนังกัจจามิตาทียังพีสังขัง สารนังกามตาที่ยังปีสังขังสารนังามีสารนัมณังเนตตาขามันเตานาทิปตาเวรมเนศกาปังตมาติยามี อาณาติปัตาเ<ล>วรเมเนิกาปัตังสมาธิยามิอะรินาดาเวรมเนศิกาปัังสมาธิยามิอินาธานาเวรมเนศิกาปัตังสมาทิยามิอะกรมาจาริยาเวรมเนศิกาปัังสมาธิยามิอะกรมาริยา เวรมณีสิคาปดังสมาทิยามสวดาเวรมณีศิาปดังสมาธิยามีมุสาวาดาเวรมณีสิคาปดังสมาทิยามสุรามรยามัจฉาปมาตานาเวรมณีศิคาปดังสมาธิยามสุรามรยามัจฉาปมาตานา เวระมณสิกขาปัตังสมาทิามิสิกลาโคชนาเวระมณสิกขาปัังสมาธิามิวิกลโคชนาเวระมีสิกขาปัตังสมาทิามิณตัญจิตวาริตาวิสุขดันนะม a n ทวิเดปนาารณะมันดาณเวปตนะธานาเวระมณสิกขาปัังสมาธิามิ นัจจิตาวิตาวิสุทธาสนมาคันทวิเลปนารณะมัดนะวิอุสนาคานาเวรมันิสิกาปัตตังสมาธิยามิขจจสยนะมหัสยจนะเว ธัรมสมาธิามี <c oughs> อีมังอีมังอัถังคะอาทางัอาทางค่ะ สามนาคตังพุทะปัญจตังขุพุโศตังหิมันชะรัติงหิมันชะดีวาสังสามาเทวาวะภิรักขิตุ ima, สง no tiden, สามาทิยามิกู้ฆ่าพระเจ้าขอสมาทาน เอาองอาทศินอันประกอบไปด้วยองคแปดประการที่สมทานไว้ดีแล้วเพื่อจะรักษาไว้ไม่ให้ขาดไม่ให้ทำลายในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งณเวลาวันนี้ ขอบุญกุศลส่วนนี้ขอบุญกุศลส่วนนี้จ ง, จ, จงให้พวกข้าพระเจ้าจงให้พวกข้าพระเจ้าได้รู้แกงได้รู้แจ้งเห็นมรรคเห็นผลเห็นมรรคเห็นผลเห็สวรรค์เห็นพระนิพพานเห็สวรรค์เห็นพระนิพพาน Aw, seasons, ในปัจจุบันในชาตินี้เทอในปัจจุบันในชาตินี้เธอมาในอัฏติีฆาปดาในอัฏฐกังลตินจีวังกุโปสถะสีโลวะเสนาธาทุกัง ก, กตวปะปมาเดนะ เราเกตปานิสี่เลนสุขติยันติสี่เลนะโพะสัจฉปดาสี่เลนะนิพุติยันติอัตมาสี่ลังเวโซทัคย์เอือคนไม่เคยมาบางคนก็ว่ารับคาสิแปดไม่ได้บางคนก็ว่ารับสินห้าอืมถ้าสินห้าเราก็พูดไปตามสินห้าก็ได้ แล้วข้ออภมมจะดีจาก็ว่ากรมเมย์พไปถึงสุราเราเกิยดยศไม่รับอีกก็ได้ผู้ยังไม่มีศรัทธาแก่กล้าถ้าผู้มีศรัทธาแก่กล้ามันศิลบรรพระไม่เว้นเพราะพระพุทธเจ้าหาศีลหาธรรมมาทุกข์ยากลาบากสรรมมาสอนค น, น, นต้องถามตัวตนเองว่าเราเป็นคนหรือเปล่า ถ้าเป็นคนทำไมทําตามพระพุทธเจ้าไม่ได้ไม่ใช่พระเจ้าสอนให้คนเสียชีวิตแล้วจึงไปรักษาศีลไม่ใช่สอนให้คนเสียชีวิตแล้วไปให้เห็นสวรรค์ได้เห็นพระนิพพานพระเจ้าสอนให้เห็นปัจจุบันให้ดูปัจจุบันถ้าดูก็เห็นก็รู้แต่ดูไม่เมื่อกี้นี่สวรรค์หนึ่งนาทีสองนาทีแหลดูลมหายใจเขาออกนั่น นั่นแหละสวรรค์ในอกนรกในใจไม่ได้ไปขุดหาหรอกนรกสวรรค์ก็มไม่ต้องไปเหาะหาหรอกเหาะหาที่ใจถ้าอยู่ตลอดชีวิตจะเป็นยังไงทีนี่น่นนี่หนึ่งนาทีนะถ้ารู้จักรสชาติของความสุขนะสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีใช่ไหมคำของพระพุทธเจ้านั่นเห็นไหมแต่คนเราไม่ชอบเรื่องสงบ ชอบวุ่นวายโลกนี่วุ่นวายเนออ่ น, นหรือว่ามันมีความสุขตรงไห น, นเอามาเปรียบกันดูกับลมหายใจเข้าออกกับทันอยากร่ำรวยทันอยากสวยงามอ่ น, นเพราะเราเข้าวัดไม่เข้าใจเรื่องทาบุญมีแต่ขนของไปให้พระจุ่งเขาว่าทาบุญอ่ น, นทานนั่นอ่านเห็นไหมไปวัดไปทาบุญทําทานทาบุญใส่บา ว่า อ, อะไรนีหน่อยทำบุญทำบุญไ <g> ป oh <ok> โกหกตนเองก็สศีลขาดแล้วทำบุญก็ต้องไปวัดต้องนั่งให้สงบสิหรือว่าไม่ไม่เป็นโทษด้วยโกหกนิดหน่อยพระพุทเจ้าสอนว่างไงความลับไม่มีในโลกแต่เราไม่รู้ว่าเห็นไหมโกหกสอนให้พระโกหกทุกวันหลวงปู่ สร้างใส่าตหลวงปู่พระถือเงินก็ได้มาเมืงเงินดหลวงปู่ในสร้างนี่สร้างดอกหลวงปู่ถือสร้างดอกมได้ถือเงินเห็นไหล่ะทำให้พระเกิดที่เลียดเาไปว่าพระก็ทาตามเลยทีนี่เห็นไหมล่ะพระรามวัดมีสร้างบ่มิสร้างบา่ถ้าเรื่องผิดศีลผิดธรรมชอบทา แทนที่จะช่วยพระสองฆ์รักษาพระศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ให้พระที่สูงถือจับใช้ใจนยอมพระใส่เงินพระก็ะใสเป็นตัว ว, ว่าสันติบัณฑ์ทำไมไม่เอาพระเจ้าพระเจ้าหาได้ใช้เงินที่ไหนไปเผยแผ่พระศาสนาพระพุทธเจ้าจ้างรถที่ไหนนั่งรถที่ไหนส่งพระสาวกไปเผยแผ่พระศาสนาตามชมพูทวีป ไม่ได้ใส่รองเท้าเสียด้วยนั่นทุกวันนี่มีแต่อะไรก็อะไก็ม่รูแล้วพระอะไล่ะนั่นแหะพระเจ้าวางหลักศาสนาไว้ห้าพันปีนะที่แต่ละปีเสือเส่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปเห็นไหมเสื่อมทุกวันนี่เสื่อมไปหมดแล้วเพราะญาติโยมไม่ช่วยพระสงฆ์รักษาพระศาสนาพระสงฆ์กระลิ ทำตามโยมหละที่นี่ยอมบันถิมนั้นพะระดอกไม้มาบูชายอมจุดธูปจุดเทยียนยมถวายธนทาต ย, ยมตรวจน้ำอันใส่กระป๋องใส่ติดใส่กระถังมาให้ญาติยมดื่มน้ำด่างเมืองไทยแล้วไม่มีขวดไม่มีพลาะติกสมัยก่อนไม่มีขวดพลาะติกใส่ใส่กาใส่ถัง ไม่ยมมรับทานเวลาทานอาหารเสร็จแล้วเวลาทานอาหารเสร็จแล้วไม่มีน้ำหลวงปูพวกเจ้าเอาไปตรวจเหมือนจะจะสกินสตีเ น, น้ว่าพระไม่รู้ว่าบุญคืออะไรผลสุดท้ายบอกแต่ของมาทาน <c oughs> ทานเป็นได้บุญทานไม่เป็นได้บาปทำให้พระเกิดที่เล็กเน็นไหมละ่ะเอาจตุปัจเจัยใส่ย่าให้พระ เขานำโพชนาอาหารใส่บาตรให้พระฉันเหลือก็เป็นบาปอีกคนบาตร เ, เยอะแยะจะเททิ้งเดี๋ยวหมาถึงกินกับหมาเขาวัดแต่บม่มีหมาเ ก, กิดย่อมก็มาป่วยเพราะยังงล่ะคนบาตรหลายพุ่นแ่นที่จะช่วยพระสงฆ์รักษาพระศาสนามันพอฉันเหล่านี้ลงหลวงปู่กลับวัดปกติคนจะใส่บาตรต้องดูบาตรก่อนไม่ใช่หรอ มันเต็มเลหลวงปู่ทายออกหลวงปูถ่ถายออกพระพุทธเจ้ายกเว้นที่มีคนถ่ายเทให้ถ้าพระสงทถ่ายเทเอาพระเกิดจิเลตเกิดความโลภเอาไปทำไมที่เอาไปให้ได้คือบิดากับมารดาเอาไปให้ญาติโยมไม่ได้นะั น, น ผู้มีบุญคุณคือบิดามารดาถ้ามารถที่จะบวชแล้วบินฑบาตเรี่องบิดามารดาได้ถ้าคนอื่นไม่ได้นั่นทุกวันเยเอ้ยเอาไปไล้ไหลายให้พี่อะไร น, น่องให้ลูกศิษย์ลูกหาให้นั่นใหน้นี่ <c oughs> มันผิดแล้วโยมก็ไปมุ่งหวังหรือสิถ้าเคยได้อยู่ได้กินแล้วโอ้เดี๋ยวหลวงพ่อมาให้หลวงพ่อมาให้นั่นเห็นว่าละ่ะเอาเจตนาตวายพระเอาให้โยมยังไง นี่หวังผลประโยชน์นั่นเห็นไหมไม่หวังอย่างหนึง่งก็หวังเงินไปทําบุญท่านั้หวังผลประโยชน์บุญคือของเบาก็เสียตะละเอาที่เราเป็นฆราวาสจะโยมหาจินหาอยู่หาอะไรได้ไปช่วยทําบุญช่วยวัดทําบุญช่วยให้มันเบาบุญคือของเบาแล้วก็เบาพระก็หนักไอ้พระขนมาหนักไหมหนักใจนะถ้าไม่เอาอะไรไม่ห่วงไม่เคยเอาไปก็ไม่เอา เดี๋ยวเขาพึ่งตนเองเขาพึ่งตนเองนั่นคำของคุเจ้าตนนั่งแลมจะพึ่งของตอนเคยเคยกินแล้วนะนี้ถ้าไม่มีถุงพลาติกิมปนทบาทในบ้านไม่ได้เอาใส่ถุงมากกว่าเอาใส่บาตรฉันต้องแกะแกถุงพลาติกฟอร์มนะก็ อ, อย่างหลายรูก ลูกใครมากก็ลูกพระแต่ถ้าถูกต้องจริงๆไม่ได้ประโยชน์ต้องพึ่งตนเองหาอย่างอื่นนั่นอันนั้นทนว่าไปทําบุญถ้าไปหวังผลประโยชน์ก็เกิดลูกข้อลูกข้อฉันเป็นลูกศิษย์พระอะไรเยอะแยะคนใกล้คิดคนใกล้คิดพูดยากซี่สุดือคนใกล้คิดนั่นแหละถ้าประเทศไทยหนากก็ไปมึนก็ไปก็ไปเกิดมปนผีก็่เป็นเหล่าก็ไปหักกลอม มแจ็เข้าไป อ, อ่ะเห็นไหมละ่ะความคุ้นเคยเป็นญาติย่างยิ่งเคยเรื่องศีลเรื่องธรรมเคยก็รักษาศีลลธรรมความเป็นอยู่ของโลกก็ดูรู้จะแล้วความเป็นอยู่ของโลกมันเออาไปด้วยรักโลกโกรธหลงพวกนี้ครอบงำความหิริความเก่งกลัวละอายต่อบาปไม่มีฉันรู้ฉันรู้ฉันเขาวัดมาตะก้อนตัว รู้แล้วต้าปลาโล่แต่เบ่่ก็ไดมันยากเว่ามันรู้รู้มากยากนานรู้น้อยพลอยลำคาญเพราะนั้นต้องเน้นหนักภาคปฏิบัติคำว่าไปวัดทําบุญวันศีนวันพระสาหรับฝอนฆราวาสญาตโจมไม่เสียสละขวมยุ่งยากทางบ้านวันธรรมดายู่ไปจินไปอยากเห็นหังเหตุไปทุ่นแนวได้แต่วันพระ แค่นี้ทำไม่ได้ออถ้าคิดดูนะถ้าคิดให้ละเอียดนะบัวพระเจ้าจะได้สินได้ทำมาเราไม่ใช่ของง่ายๆสร้างบา ร, รมีมาเท่าไหร่ทาทานสีทรงไข่กับกังลัยแสนมหากับยังไม่ได้ตัตตารูหยุดทานนะมาตัตตรูมาดูลมอย่างเดียวหรือว่าทําบุญอย่างเดียวทําบุญก็ไปใช่ปี 1, 2, ป 6, ปหนึ่งสองปีหกปีเหมนจึงในตัตตรูยากหรือง่ายคิดดู เราก็ต้องเถียงกิเลสบ้างสิสิ่งที่ทําไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนสิ่งที่ทําไม่ได้นั่นไม่มีในโลกแต่ที่ที่พุทธเจ้าที่ทําอยู่ทุกวันคนทําถู่ทุกวันแต่พี่เตะไม่ทําตามคําสอนของพุทธเจ้าคนจุท้ายป้นกี้ฆ่าตีในบ้านของพวกเรานั่นคำพูดเบืองไทยมืองพดทธมังไทยมังพุทมีแต่ยอยู่ใน พระไตรปิฎกวัดไหนพ่อตำมีวัดหลวงปู่มีพระไตรปิฎกไปตู้พระไตรปิฎกตู้คำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะอยู่ในตู้ไหนจะสู้ธรรมะอยู่ในใจต้องให้มีอยู่ในใจอยู่ในกายในว่าจา้าในใจอยู่ในตัวถ้าพูดแล้ว ในตัวก็คือก้อนธาตุก้อนสังขารที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นแนหะคนที่มีชีวิตพระเจ้าสอนคนมีชีวิตไม่ใช่สอนคนตายให้ดูให้เห็นในโลกดูอะไรดูสวรรค์ในอกนรกในใจนั่นก็พาดูอยู่จังนี้่สอนอยู่ทุกวันทุกวันสอนพอลู่แนวทางแล้วก็ไปปฏิบัติยังไม่ใช่นั่งเฝ้ากันอยู่ที่นี่ถ้าลุกผู้พานั่งตลักเกนเดี๋ยวก็บ่นอีกคนนึงเก็บสิตายเราขึ้น น, นั่นเศร้าแท้ ไม่มีสัทธาจะมานั่งบังคับไปนั่งนะวัว่วายอยากกินนาแสนติดคมกับเขาหักหมูวาอยากกินห่ำแสนสิตีก็บดังเวอร์ต้องเกิดขึ้นด้วยศรัทธานี่ถ้าเป็นไปได้หลวงปูกก่ก็อยากทําใจหลวงปูกก่ถือศีลนะแปดน่ะจะโยมลูกหลานอันจะไม่ได้ฉันยุ่งฉงานเยอะนั่นหมาเหตุไหมหรอแต่ไม่มีศรัทธาก็เป็นอย่างนั้นถ้าผู้มีศรัทธาทำได้ อยูแต่ว่าโอ้ยพันฝ่าคือหน่อยแท้เดือนหนึ่งผุนเห็นไหมเต็นที่จะดสี่ข้างแปดข้างนะบางคน่ะเดือนหนึ่งคือวันสิ้นหน่อยสิ้นใหญ่เลยแปดคําเก็บคำแปดคำสิบสี่คาสิบห้าคำนั่นก็ะแตงเอาอีกไ็ได้เลียดได้โอกาสได้ทำกุงญญกุณ ม, มดีเป็นอะไรไปขอให้อยู่ให้กินมันก็แค่นั้นนั่น าว่าจะรับประทานท่านนั้นะมันก็เลยเกิดความหิวเห็นไหมละ่ะไม่พอใจเขาไปสำรับถ้วยหนึ่งจานหนึ่งสำรับหนึ่งมีกี่อย่างโดยเฉพาะไปสั่งอาหารนั่นคนสองคนไม่รู้เต็มถ้วยเต็มจานติ น, นิดทานนิดเ ด, ด, ดีหน่อยเททิ้ง้าแรงบุพเพใส่ใจระเทศไทยขอจีกักหน่อยนะ กึ้นนะราคาค่าใส่ใจของแพงข อ, เ, อเท่าไหร่ก็ไม่พอหรอกครืองของเฉลี่ไม่ทำตามเหมือนพระพุทธเจ้าผลสุดท้ายก็มีทุกวันเนี่ยข้าวราคาถูกเพราะคนไม่ทานข้าวไปดูเตือร้านอาหารมีหม้อย่างร้านย่างอาหาร คือหมอดวยหลายแต่หนูทำไมใหม่หลวงปู่เขาไม่กินข้าวท <c oughs> ี่นี่มื้อ น, นี้ขายดีหลวงปู่มัดหายกิโลค <c oughs> นเห็นว่ <c oughs> นนาล่ะจิ้มน้ากุ้ยน้าข้าวเขาหยิมน้ากุ้ยน้าข้าวเขากิน <c oughs> ต้มน้ากุ้ยน้ำข้าเขากินกรว่าดแสบ เลยไปนั่นเห็นว่าเขาบักถามหา ร, ราคาข้าวก็ได้ทูกโบรานบ้านเรากลัวมากเรื่องอาหารมันเป็นโรคพยาธิถ้าทานอาหารมากกว่าขา้าวเนี่ยลุโ บ, บราณบอกลูกบอกหลานกินอาหารหลายก็เข่ามันเป็นโรคพยาธิในท้องผมจกักว่าโรคพยาธิ เขาไปเราไปตันหอดหลังขาหลังกายพอหยาดไปหยาดกันอยู่ใน่อมืนภาษาอีสานกับกิตติ์เราทรมดาพระองจับพระเจับว่าปิดบังเระหยาบหลายกิเลสความลับเป็นเมียในโลกโกหกคนอื่นได้โกหกตนเองไม่ได้ บอกรับนิมนต์ก็เหมือนกัน่แหละทําไม่มีรถกดสั่งมาค่อยเที่ยวไปรับเที่ยวชงไปมาก็ไม่มีใครรับไม่มีใครขับแล้วก็ให้ผู้หญิงขับไปหลวงปู่ผู้หญิงขับก็ได้ติตั้งประเทศตัวหลวงปู่ไม่มีคนใจได้แต่มันไม่ดีอ่านเห็นไหมเราได้อยู่แต่ไม่ดีถ้าได้ไม่ดีทําทําไมละ่ะไว้มาพระก็ตะลึงเข้าไปไม่มีคนขับเอามารถมาหนู ขับเองก็ได้หรอกเห็นไ้มล่ะมันมีแล้วจับพระเมาเหล้ า, มาเามาอะไรอยู่ประเทศไทยขับรถเองไปชนน่นชนนี่จลัยจิเลศมันหนาเข้าไปมันหนาเข้าไปมันทําให้ลืมศีลลืมธรรมไปหมดจิเลศกันตัญหาขอบงําชักน้ให้ใจตัําชาอย่างนบ้นเสียงพระพุทธเจ้ามันจักจิเลศบ่บันมันจักบาบ่จิเลศคือบา เขาบอกไปวัดทำบุญ่วัดตำบุญอย่ไรเหมืนยิงขับรถให้เอาไปมากก็เป็นนังครัวขงังนานน้ำกันที่นั่งไม่พ อ, อเ่าบ่กมันก็เป็นี่แต่เดี๋ยวนี้มันยังชั่วถ้าหมดรุ่นนี้ไปอีกจะทำยังไงต่อไปอีกอกวบาอาจารย์เพิ่นไปล้ะเห็ดน้ำเพิ่นไม่ได้หรอกสมัยไม่นั่น เอาสมัยมาทับผมไปแล้วเห็นไหมหละ่ะเข้าออทำนองไหมกิ่เลี่ยมตัวหมัวตัวประหลอดกิเหลียมตันหาขอบง่อมมันไม่ใช่เล็กน้อยนะเรื่องศีล น, นะมันทําให้มีไม่มีสมาธิทาให้ไม่เกิดปัญญาไม่เหมือนติดคุกติดตารางผิดศีลถ้าทางโลกผิดธรรมผิดวินยัยผิดกฎหมายเข้าคุกกฎหมายกับศีลธรรมอันเดียวกัน บัญจัดกฎหมายมาก็ไปจากสินธรรมคนก็ไม่แช่งไม่แช่ง <c oughs> ไม่ไม่ใช่เมืองพุทธก็ยัง ส, สบายเติมน้ำมันเองข้าวล้านเจ็บเอาพ่อหรอกต้องไปใจดีว่ดีว่าใจทรงเขาทั้งได้ก็ได้ทุกมือแต่บ้านนกยังคนอื่นเติม ไอ้แต่เท่านั้นที่เราหนีเลยอืมบางคนเขาบอกว่าไม่อะไรเราความเสื่อสัตว์มันอยู่แล้วความร่มเย็นเป็นลูกเสื่อสัตว์ตกต น, นัดเดมลูกหลานได้มาปฏิบัติกูยังอยากจะอยู่ต่ออยากจะอยู่ต่ออยจนนั่ น, นเห็นไหมมันสงบบ้านเราเรามันวุ่นวายตลอดมันจาก จ, จะออกคนสาวไปแข้งกองหลวม เริ่มสอมกองเงากันแล้วบัดเตมตำเติมตำตติมตำว่ได้พนนักพนี่กองกับพันศาแข่งกองเงากับพันศากแข่งกองเ ง, า น, า, า, ง, ง, เงาน้ำบุญกระถิ่นวิปัสาพักวัดอันที่ไปตั้งวัดจุ๊เต็มไก่ไก่มูอไกลบ้านถือตะเกาว่ได้หายแง่ป้าไม่พระเจะ้าพระสงค์ทามป้าทางหลง ทางวัดทางว่าทำไรก็ไม่เขาก็บอกอยู่เอาไปมากก็เป็นวัดบ้านเมื่อวัดอยากว่าวัดบ้านวัดบ้านวัดบ่าบ่าไปทั้งโลกที่ยะแล้ววัดไปยุคไกลก็ไม่ได้คำของพระเจ้าสอนในพระสูตรสานที่บำเพ็ญปฏิบัติทำวัดสร้างวัดต้อง ห่างจากรูปเสียงกินรถเรียวกว่าไม่ได้ไปเห็นคนบ่อยจากรูปอ่ะจากเสียงไม่ได้ยินเสียงคนบอยอ่าโดยทั่วมือเดียวไปเห็นที่นะัาวัดเลยทุกสิ่งทุกอย่างเต็มไปในวนะัดแม้ั้งเอาหน้าอภิญญาหารก็ไม่ไปเห็นจะด้วยนะถ้าไป ยมไปบอกหลวงปู่หลวงปู่เมื่อเอื้นที่เห็ดนั่นเหตดนี่มาแต่วายหลวงปู่นั่นได้ยินแช่นั้นฉันก็ไม่ตด้ทุกวันนี่ยย้อม ย, มยม้อมนนี้เอาอันนั้นอันนี้มาเห็ุอาหารเนอะดีมีดีขึ้นไปก็มีวันจันเอานอนวันอังคารเอานี่มันพุดเอานอนวันพัสดุถูกเสาธิดเอานอนว น, นนี้เขียนไว้แล้ว <laughs> พระพุทธเจ้าไม่รู้ไม่ได้ยินไม่ได้รู้เลยว่าความเป็นอยู่ของราชอาณจักรรวมของเขาเขาให้แค่ไหนยินดีของได้เพราอใจของมีถูกต้องตามหลักธรรมวินยัยมันเห็นไหมไม่แป๊วไม่แมงจิตใจทําจิตใจอะไรทําอะไรไปมันก็สะอาดทีมันไม่มีทําผิดวินยัยโดยเฉพาะผิดวินัยละเอียดสิ่และทำไม่เหมือนทางโลกถ้าผิดเล็กน้อยจับกันตาเมืองไทยก็จับไม่ได้ น, นี่จ้งเอาไม่พ่อยเพียดถือเพิรเป็นเถืกนั่นแหะมาเศ้ามองของใจถ้าไม่มีสิมเศ้าหมองของใจใจเศ้าหมอ ง, องทําหทให้จิตไม่นิ่งทําให้จิตไม่เป็นสมาธิมันเป็นกังวลนั่งเข้าไปก็ไปเป็นกังวลตัวนี้แหละแต่ถตึงให้สำลักแต่มารวมสัมคก ร, รอโุโสถสำลัจิตใจให้สะอาดว่า ตนเองมีความบริสุทธิ์เกียรติสินในธรรมก่อนจะทำต้อ ง, องสำลักหยุดใจซะก่อนอยกเว้นแต่ท่านนั้นปิดบางตนเองถ้าผิดมากต้องอยู่กรรมปกครองปิดเท่าไรก็อยู่ฉะนั้นปกปิดหนึ่งปีอยู่หนึ่งปีปกปิดสิบปีอยู่สิบปีมีบางประเทศบางประเภทที่อยู่กรรมบางประเภทขาดจากพระพิจิตสงฆ์มีอยู่สี่ข้อ เรีวกว่ า, ารลาโลซึกสีนิดิดียวเดี๋ยวเราก็มาแสดงซะก่อนเข้าฟังพระปฏิโมกเพราะเป็นสถานที่ที่แสดงความบริรสุทธิ์ในศีลสองรอยี่สิบเจดยังมีแต่งตั้งมาขึ้นมาใหม่ประเทศไทยศีลของพทธเจ้าไม่ถึงสองรอยยงิบเจดมีบางสำนักบัญจัดขึ้นมาอีกแล้วเหนไหนพระเจ้าจงสอนเราทำที่พระเจ้าตัดโลู ยากสามัญชนคนธรรมดาจะรู้ได้จะทำได้จะเข้าใจได้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงไม่ให้เชื่อพระไม่เชื่อกูบาอาจารย์นั่นใช่ไหมพระหมนั่นไม่เชื่อหนังสือตาราหนังสือหน่อยตังค์ค้นตังค์มีหนังสือกล่อมตังค้นตั้งมีตั ง, ตงคน้นตังใดว่าจังใดเห็นจังใดเขียนไปตามใจของตนเอง จึงพระพุทธเจ้าจึงมาให้เชื่อเด้เดี๋ยวนี้เขียนมีหมดนะแต่งหนังสือหนังสือผู้มือของอุบาสกอุปัชฌาย์เป็น เ, ว, เวลาพระจะเข้าบ้านให้ทำอย่างโน้นให้ทาอย่างนี้เวลางานมางคนให้ทำอย่านงนา น, งน้นอย่างนี้เวลา เ, ลาเปิดนหนาให้ทำอย่างนน้นอย่างนี้เขียนไปหมดแต่น้ำล า, ายใชเจ้าขอางลงไป <c oughs> กันอุปัชฌาย์ทงห่อทอนนั้นกันผู้สวดทรงห่อตอนนี้น <c oughs> กันผู้ออ น, น <c oughs> านงอันดับห่อตอนนั้นห่อตอนนี้ก็บอกไป ควบสะดวกของย่อมเพราะว่าตอนนี้บัดน้องบอาใจโอ้ดีเด้อหลวงปู่คนเห็ดสะดวกสบายเห็ดน้ากับหนังสือสบายดีนั่นเห็นบ่เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงไม่ฮะไม่เชื่อหนังสือตาําราไม่ให้เชื่อได้ยินแต่ข่าวเล่าลือมาว่าพาระพิุูตสมเนนบวชมาสองสามวันได้เห็น ล, ลัทธิชาติได้หลวงปู่เออก็ไปบูาชาดิบดนั่นเพราะวาพระต้ม น้ำจับปงก น, น, น้าพระเนียนเข้มนีไหมมันคือรวยหลายแต่พ่อะยังล่ะนั่นไม่เชื่อข่าวแล้วลือมาว่าเขาพาทรมาก็อยากไปเชื่อที่มันเสียหักฝ่ออะไรเพราะเขาพาทำ ม, มาเป็นไหมที่นี่ทุกแห่งวันศิลปวันพระจุยูจุตียันมัดเห ม, ม็นคุ่มไปหายใจไปถึงตัว คนหนึ่งในธรรมคนหนึ่งก็ยังจุดไม่ถือประธานดอกทุกมันนี่แต่ไม่กวนเลยโอยบางหมู่บ้านพาแต่งานก็ตถินจุดทูบแกกันอ่านคนตายจุดทูบแกกันเผากันอย่างนั้นเวลาทำบาปม่เห็นจุดทูบทําไมได้บาปทําบุญจะไปจุดทูบจุดเทียนทําไมนั่นน่ะเขาพาตมาเขาเป็นพระพุทธเจ้าไหม จากไปที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตัดตักรูมีแต่ถือดอกบัวมาก็เลยเอานั่นอ่ะเอาดอก บ, บัวไปพุชาเอาดอก บ, บัวไปชา่านั่นทึ่พระเจ้าได้จังไม่ตัดตักรูเวลาพระเจ้าได้ตัดตักรูแล้วให้เอานิ้วมือตั้งดอกไม้พุทีิยันปลุกมืองามงามกาบลงงามงา ม, งา ม, งามสามครั้งถูกต้องตามหลักเบญจางคัขบขารมนบนอ้อมแสดงออกถึงครรมนบหนบ น, บนอ้อมเป็นยังวอกก็พระปลุกมือ แสดงความนุน้อมให้ใจของเราอ่นอนน้อมกายประจาใจอ่อนน้อมเมืเ่นพระว่าคำใจว่าวน้ำพระมือกอดเขาเว่าวน้ำ พ, <c oughs> พระควมบัเคยทว่บรรลจักระเบียบของคำว่าสถานที่วัดไปวัดคนทั้งรมกายการนอนอพระเจ้าให้นอนตะแคง นั่นไงเป็นแบบเปตาสายญาตินันแบบเปตนั่นเีแบบกามาสายญาตินัต้องบังคับดิเย้าบททั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนรู้เท่าการนั่งก็เหมือนกันอยู่ในบ้านอยู่นอกบ้านคนนํายังไงเข้าไปในบ้านไม่ให้นั่งกอดเขาไม่ให้นั่งห้อยเท่า ย่อม บ, บังคับเจ้าของเลที่เข้าวัดเราไม่อนั่งกอดเข่าไม่นั่งกอดเขา่าไม่ให้นั่งห้อยเท้าเ้าอีมากไปมีนั่งบ่ได้มันนั่งขึนไม่ท่องคือนั่งได้เดี๋ยวเดียดขาอยู่เสร็จเตือนฮาร์ดแครนี้บ่ได้ทิดระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขว่าติบป ก็ท่วงของพระพุทธเจ้าคือบอมาว่า ม, าามอเห็นด้วไปหาว่าหันว่า น, นี่ <c oughs> นนเห็นว่าตามใจชอบให้เชื่อเห็นผลไม่เชื่อครูบาอาจารย์ให้เชื่อพระพุทธเจ้าให้เชื่อเห็นผลอีกหนังสือก็เหมือนกันควรเชื่อจริงเชื่อไม่ควรเชื่อก็อจาไปเชื่อดีข่าวเล่าลือมากก็เหมือนกันเขาพาทำมาก็เหมือนกันถึงที่ไม่ควรทําตามก็อยจะไปทาตาม ทำอะไรคำหนึ่งถึงความได้อย่าคำหนึ่งถึงความเสียได้เข้าใจไหมมันเสียด้ยบุท่าเราไมเสียหยังเสียปัจจัยสองเสียประเพณีของคุณเจ้าลูกหลานทําต่อกันไปอีกเลยหลงแทนที่จะตรงไปสู่มรรคผลนิพพานโค้งไปหาไสยบกตกมาแ้โลกเจ้าหมอสก่อนดีบดีบูตันหอดสวรรค์สําตายก่อนนั่น ถ้าทั้งเวรหังหลายมันจะคำเม้าตะปัวปากว่ามันจะสาคำท่าอยากให้เน่นหนักภาคทำบุญจะให้มีสติอยากให้มีปัญญาขาดอย่างเดียวคนไทยไปวัดขาดการทำบุญศีลสมาธิปัญญานั่นมันทำไม่ไรเพราะเราขาดศีลเห็นไหม ฉันรับไม่ได้นั่นเพราะศีลไม่มีก็ขี้เกียดนั่งขี้เกียดนั่งฉันนั่งไม่ได้ก็ไปอย่างไรทิ้งฉันไม่มีบุญนั่นเห็นบ่กพูดให้เจ้าของเองได้ทั้งๆที่มีบุญอยู่แล้วก็ไม่ว่าไม่มีบุญไม่มีบุญจะเกิดเป็นคนได้ยังไงก็ถามเข้าไปที่ถ้ามีปัญญาถ้ามีปัญญาฉันไม่มีบุญฉันไม่ครอบครัวฉันเาวัดไม่ได้เออ มันตุดท้ายก็เป็นอ่งแค่นั้นเวลาเสียชีวิตได้อะไรไปทุกขี่สุดคือหาที่เกิดอยากเกิดกับลูกกับหลานก็เกิดไม่ได้เขาขี้เกียจเลี้ยงไม่ให้ได้เกินสองคนได้หญิงหนึ่งชายหนึ่งปิดไว้ไห้จากมาเกิดใบหัวมันเกิดน้ำถ้ามีศีลธรรมไม่ต้องเกิดออกกงคอนบัญญุนะหรือไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าสอนให้คนปฏิบัติเพื่อไม่ให้มาเกิด ต้องเชื่อจุดนี้จึงจะบวชได้ถ้าไม่เชื่อจุดนี้ก็ว่ามร่นรักกินเอะน้ำุลกุศล อ, อกตอนได้ยมลูกหลานจะติดพี่น้องได้เสียจะละมาทาทานก็ดีรักษาศีลก็ดีจเจ ร, itar, ริญเมตตาภาวนาทำทำค า, า, าสอนของพระเจ้าก็ดีเป็นบุญกุศลอานาจบุญกุศลที่เราได้ทาเหล่านี้อนาจบุญกุศลของคนบพคคลพรเจ้าคุณประทำคุณประสงค์และ ส, สิ่งต่างิทั้งหลายที่ในสากลโลกนี้ก็จะมารวมกันจงปกป้องปกปักรักษาอกคนได้ยมลูกหลานจะติพี่น้อง ดงมือแต่ความสุขความเจริญสุขกายสุขใจหายจากทุกโศกภัยกำงานถึงใดกเงานถึงใดพัฒนาสิ่งหนึ่งอันไรก็จงสําเร็จจงสําเร็จโดยเฉพาะในหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็จงภากนปฏิบัติแล้วจงมีดวงจิตดวงใจได้เห็นสิ้นเห็นธรรมในภบชาตินี่เทอินไม่พวกหนึ่ ง, งว่าสมพระใช่รับนี่ เดีวหน้าถ้าไม่มีใครขับรถก็อย่าเอาไปมากนะเท่าไรก็ดีหมดดอกขอให้มีวัพระเจ้าประจุกบาอาจารย์ไปสองสามลูกก็ไดีถ้าเอาไปมาแล้วก็เที่ยวไปครับเที่ยวไปส่งมืรอเจ้ามันสายหน่อยก็เพราะาไป็นส่งพวกหนึ่งเป็นนั่งคอยยใคอีกมารับอีกกลับไปอีกมือเท่ายังจะส่งถึงวัดยังให้กลับไปอีกบอกวอ่าขอให้เอาไปส่งทีเดียวเลยหาคนนั่งเป็นเพื่อนไป นั่นเห็นไหมันเป็นการในมลก็ยั ง, ขงเขาจะว่าอีกหรอทำให้พระสงฆ์ผู้หนึ่งคือเรี่ยงยากแท้ติว่าอีกได้บั ด, บงงงงดบมันจะว่าถืจองทําตนให้เขาเรี่ยงง่ายได้บัดนั่นมันมาจะแท้คือเรี่ยงยากแท้นั่นเห็นไหมล่ะเขาติไว้แล้วผู้รับในมลก็ต้องควรที่ลู้จากเทเขาจะได้เท่านั้นเขาจะได้เท่านี้ได้ก็มี้ลบมาหรือเปล่า เท่าไรก็รับไปหมดรับไปหมดผลสุดท้ายยุ่งใช่มไหมล่ะมันที่ไหนก็ไม่บอกกันให้รู้เรื่องนี่แหละมันถึอถือวัดดีในตนเองมันผิดหลักทำยังไงไม่มีหัวหน้าไปจักรับในมลก็รับไปบผลสุดท้ายยุ่งยากกับหัวหน้าอีกเดี๋ยวหน้าไม่ต้องไปหรอกหัวหน้าคนไหนรับคนนั้นไป สิ่งของเหมือนกันใครสั่งคนนั่นใจดีคนหนึ่งสั่งเอานั่นสั่งเอานี่แลบใจมาเอาอยู่ที่วัดดีคนไหนสั่งคนนั่นใจสินั่นคำของลูกใใหญ่เป็นยังงเนี่ยคุณได้สั่งของมาหือฮะคนนั้นคนนี้เออขอไปใจเด้อไปเถียงกูดได้บ่แบบ ทำไมไม่เคารพคำนี้บ้างเล้วเขาไปล่ะภาษาว่านอตีลวดกวดเพี้ยงมีใครถามอย่างไรมีใครถามไหมเพิ่งมาใหม่สิเคิ่ง ม, มาไหมละ่ะใช่สิมาเมื่อคืนค่ะอ๋อมื่อคืนมาตรงนั้นใช่ค่ะอ๋อ พาลูกสาวมาด้วยอายุเท่าไรอายุเา่ถือสินแปดไหมล่ะนอยูจักสินแปดไหมทภาษาไทยร่อยถ้าถือสินแปดได้หลวงปู่จ่ายค่าเทอมให้ oh. เอาไหมโอ้ย oh, หน่อยคนนีอยู่เมืองไทย <c oughs> อยู่เมืองไทยวัดหลวงปูม่มีเล็กกว่านี้ก็มีมาถือสินแปด หลวงปู่จ่ให้หลายคนอยู่หลวงปู่ออกให้ถ้าถือทิ้นแปดตลอดถึงจบตรงไหนหลวงปู่ออกให้ค่าเทอมจ้างเอาะจ้างคนมาถือทิ้นทำจา้างเล็กน้อยมันจะถูกทํานองว่าหัวดําไปก้อนหัวโอนน้าหลังูจักว่าหัวดําไปก่อนเอาควกนี้น้อยมาจ้วงพวกหวงอกนั่งอยู่ทัางหลัง <laughs> เป็นอยังเหตุว่าใด มาเล็กน่อยแค่นี้เขาก็แคไ่ได้น่เรียกพวกถือสินแปดมานั่งแถวหน้านะวัดปักกุงเด็กตัวเล็กๆผมให้พูดถ่อมตัวที่บ่าอายที่มันขีหยากยนะังมีเด็กหลายคนเร้เจ้าพระวัดปักกุงใช้ต่อไปจะประกาศทั่วประเทศนะพูดได้จูห้องหลวงปู่ไก่สจพระแล้วกคจะพอพันล้านเนาะถ้าได้พัน พัดล้านเาหลวงปู่ให้เอาดอกผลไปนั่นจยผู้ที่สนใจรักพาสนาหรือว่าไปจ้างคนว่าเขาวัดหรือ <c oughs> จ้างคนถือเตมกันตัวจ้างคนเขาวัดตัวี่ไม่ยัยงหรอนี้ก็ไปจ้ากโรงพยาบาลน่คนเย็บแผลเด็บไปไปโรงพยาบาลเยแผลดบไยจเย็บป่เย็บ ไ, ไปโรงพยาบาล ว่รงวันผูีเจ้าสอนให้คนปฏิบัติรักษาให้คนปฏิบัติน้ำคาสอนของพระยาบัได้มากเกิดแก่เก็บตายปีน่ไปรักษาพยาบาลดีเท่าเศ้าแล้วยังอยู่นตอนหนาเร้อตายก็เก่าหันเห็นว่าหลับรักษาของพเจ้าได้บัได้มากเกิดแก่เจ็บตายอีกมื่เกิดย้อนไปขอเพราะท่านเป็นหนังไปหาหมอวไปก่อน ไปเป็นเจ็บแล้วไข้แล้วจำไปเจ็บเป็นที่ท่านด้วยพระวันนี้มีเป็นตรวจต้องเพื่อไว้พระวันนี้นั่นบอกว่าท่านไข้ทันปพวยเตรียมยาไว้กวนแต่เข้าโบราณบ่ได้แล้ว <c oughs> นั่นพนระเจ้าจึงให้พระเด็ดเดี่ยวเด็ดตลาดนี่ไปยุ่งเรื่องเปลนเรื่องตายนั่ น, นะเอาตายเป็นเดิมพันถ้ากล้าตายเราจิตใจมันก็ลง มันไม่กลัวเป็นก็เป็นตายก็ตายมีหน้าที่คือเกิดแล้วแก่เก็บตายบนไปทำไมหรอกตากเป็นทําหัวใจเป็นนักนั่นพูดยังไงต้องทําอย่างนั้นพี่บอกว่าความแก่ความเจ็บควมตา ย, ม, ตายมันเที่ยงแล้วอราพัดอ า, า, ร า, ดอาบรอกาเวเนโมโอซาปัสันต์ แฟนฟังด้วยเอาที่แจนแกนก็ได้รูว่าหลวงปู่พูดอะไรลวงปู่ว่าให้ทำบุญทำบุญคืออะไรนั่งดูลมหายใจเข้าออกแค่นั่งก็พอนั่นเรียกว่าววอ่านใจนั่นอ่านใจให้ดูใจให้แต่งใจใบ้าง อ, าอารหังคก า, <c oughs> ารอมามพควา กูทำพะวาทงอาบีว่า โอกาสจะขอลงปู่อันวิสาของพระสองของหลวงพ่อวิโค้กับของอันพระอาจารย์จูมากรับจากอ่ามากรับงานจากอาจารย์พอดไปเหตุเองได้เจอค่ะเมื่อวานในทรงเรื่องเล่อาอียงทั้งบริษัทเขาแล้วเรากำลสอถามเรื่องงานจะต้องถามก็มามแล้วก็สององค์เทพเด็กแปลนเนี่ยยังบอท่านในเหตุจะหาสององค์ แต่ว่าเห็นเจากาว่าถาวีซ่าหมดเป็นต้องกลับเมืองไทยก่อนทำปที่เมืองไทยแต่ถ้าเ็นเหตไปยุโรปก็ต้องเหุที่นี้ได้ใะอืมอโอ้ยจานสู่กับจานอัน น, นั้นเบอกตะดนว่าตพิเศษ กัติผมก็เริ่มไม่ตึงติเจากก้าค่ะมารขอเอกสารทุกอย่างหรือว่านี่เพื่อนเสียเอาไปใหเองอ่าแล้วก็ยอก่องปติทโตอาจารย์ออดให้ทรงให้มาร์ทรงให้เบิดแล้วเจากก้าค่ะแล้วก็อาจารย์ออดบอกว่าของอาจารย์นิคมเพิ่งสอบผ่านทีปีวันทีย่องพาไปสอบปีกอนนีเจากก้าค่ะแล้วบอกว่าทำห้าสามปีหปีเสร็จแล้วก็ขอเรสเดน์เลยขอแบบอยู่นี่เลยเจากก้าค่ะขออาจารย์นิคม นั่งตาอาจารย์จุชอบ ป, บปออาาั้นฟัน